การปฏิบัติธรรมก็จริงๆแล้วเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าเราก็พยายามทําเรื่องโน้นพยายามทําธรรมะข้อนี้พยายามทําธรรมะข้อนั้นให้เกิดให้มีให้เจริญขึ้นให้ดีขึ้นภาพลักษณ์ก็เป็นอย่างนั้นอยู่แต่ถ้าเรามองย้อนกลับมาจริงๆแล้วเนี่ย หลักของการที่เรานำธรรมะมาปฏิบัติก็คือนำมาปฏิบัติที่ใจนี่แหละเพราะฉะนั้นในการที่เราฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์ก็ดีก็เป็นการที่ต้องนำธรรมะที่ท่านกระจายออกไปจากจิตของท่านเนี่ยอธิบายอย่างกว้างขวางออกไปเนี่ยเราต้องรวมธรรมะเหล่านั้นเนี่ยให้ย้อนกลับลงมาที่ใจ มาปฏิบัติที่ใจของเราซึ่งจุดประสงค์ของการที่เรามาปฏิบัติรรมก็คือให้เราเป็นผู้ที่ปล่อยวางเป็นเป็นผู้ที่ใจสงบประงับตั้งมั่นสบายแล้วก็เป็นผู้ที่มีความทุกข์น้อยผลของการที่เรามีจิตที่มันสงบตั้งมั่นแล้วก็รู้เท่าทันตามความเป็นจริงก็จึงได้ปล่อยวาง พอปล่อยวางได้ใจก็เบาสบายได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมที่ไหนหรอกก็ย้อนกลับเข้ามาอยู่ในภายในของเรานี่เองก็คือย้อนกลับเข้ามาฟังธรรมะทางหูได้ดูสื่อธรรมะทางตาหรือเห็นอะไรต่างๆก็ดีสัมผัสอะไรต่างๆก็ดีก็ย้อนกลับมันเข้ามาอยู่ที่ใจของเราให้ใจได้พิจารณาสิ่งต่างๆเหล่านั้น ให้ใจได้เห็นตามความเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางสิ่งต่างๆที่ใจนั้นเข้าไปรับรู้เข้าไปยึดเข้าไปเกาะเอาไว้ซึ่งถ้าเราเห็นใจของเราซะแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้ดีปฏิบัติธรรมได้ถูกเพราะรู้ว่าจุดตรงไหนคือ ท, ท, ที่ทำงานที่ทำงานที่ถูกต้องถ้าเราทางานไม่ถูกที่ มันก็ได้ผลไม่ถูกต้องเหมือนกันเหมือนอย่างเช่นคนที่ต้องการจะปลูกข้าวก็ต้องไปใช้พื้นดินต้องไปปลูกบนพื้นดินในนาแต่ถ้าใครปลูกข้าวโดยใช้พื้นที่เนี่ยคือพื้นหินลานซีเมนอย่างนี้ก็ไม่สามารถที่จะปลูกข้าวขึ้นมาได้ เราะฉะนั้นสถานที่ทำงานก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันเราก็ต้องรู้จักที่ที่จะปฏิบัติธรรมะด้วยแล้วก็ที่ที่จะปฏิบัติธรรมะได้ดีพระเจาก็ชี้ลงมาแล้วก็คือที่จิตหรือที่ใจนี่แหละธรรมะต่างๆไม่ว่าจะเป็นเมตตก็ดีมันก็ต้องเกิดขึ้นที่จิตของเรา การที่เราเห็นบุคคลต่างๆภายนอกก็ดีนั้นมีการช่วยเหลือมีการให้ทานมีการแบ่งปันมีมีสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็เหมือนว่าเราได้เห็นว่าเขาปฏิบัติธรรมอยู่แต่จริงๆแล้วก่อนที่เขาจะได้แสดงท่าทางกิริยาอาการต่างๆออกมาเนี่ยมันเริ่มมาจากความรู้สึกความต้องการ แล้วจริงได้ทำแบบนั้นออกไปมันก็ไปตรงกับพระดำรัสที่พระเจ้าเนี่ยได้ตรัสออกมาว่ามนโนบุพังคมาธรรมามนโนเศร ษ, ษามนโนมายาก็คือว่าทำทั้งหลายเนะี่ยมีใจเป็นสภาพถึงก่อนมีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจนั่นก็นหมายความว่าต้อง ใจมันต้องทำก่อนใจมันต้องอยากก่อนอยากในที่นี้ไม่ใช่อยากแบบตัณหานะหมายถึงมีฉันทะที่จะทำพอมีฉันทะคือความตั้งใจที่จะทำก็ได้จึงลงมือแล้วก็พูดแล้วก็คิดในแบบที่ใจมันปรารถนาไปอย่างนั้นซึ่งถ้าใจเราเป็นใจที่ประกอบไปด้วยเมตตาเวลาพูดก็ดีก็เป็นคำพูดที่ ประกอบไปด้วยเมตตากิริยาอาการที่เราแสดงก็เป็นกิริยาอาการที่คนก็จะสามารถรับรู้ได้ว่าเราเป็นบุคคลที่เจริญเมตตาอยู่นะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแต่ภายนอกเราเห็นคนปฏิบัติธรรมแต่ภายนอกเนี่ยเราก็อย่าให้หลงประเด็นว่าเขาปฏิบัติภายนอกอย่างเดียวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มมาจากใจนี่แหละ เราก็ต้องย้อนกลับเข้ามาเวลาเห็นเขาทําเราจะทําตามเขาเราได้แต่ทําตามกิริยาท่าทางที่เขาทําแต่ใจเรามันไม่ได้ไปด้วยนีย่เพราะฉะนั้นก็ถือว่าคล้ายๆกับการที่เราปลูกข้าวบนปูนซีเมนนีน่แหละ <c oughs> ก็ไม่สามารถที่จะให้ข้าวมันเติบโตได้การกระทําภายนอกเนี่ยมันก็เป็นการกระทําที่ ที่เราต้องทำเหมือนอยู่เหมือนกันแต่หลักๆแล้วเนี่ยถ้าเรารู้ว่าจุดประสงค์การทำภายนอกของเราเพื่อที่จะมาขัดเกลาอยู่ภายในของเราอันนั้นเป็นการตั้งทงหรือมีทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องแล้วหลักๆที่พระเจ้าในสอนเนี่ยก็คือสอนให้ใจเป็นใจที่สงบระงับก่อนในเบื้องต้นสงบระงับจากอากุศลธรรมทั้งหลาย พอใจเราสงบระ ง, งับจากอากุิลธรรมทั้งหลายแล้วเนี่ยก็หัดมาเจริญกุศลธรรมทั้งหลายเหมือนกันแล้วการที่เราจะสงบระ ง, งับอกุิลธรรมทั้งหลายได้เนี่ยจิตของเราก็จะต้องเป็นจิตที่มีกําลังเป็นจิตที่สามารถที่จะฝืนกิเลสในใจเราได้มาเจริญธรรมะที่เป็นไปเพื่อความสงบระ ง, งับกิเลส ในเบื้องต้นก่อนก่อนที่จะนำจิตที่มีกำลังมีความสงบที่มีกำลังเอาไปสอนจิตให้จิตได้เห็นสภาพต่างๆได้ตามความเป็นจริงพอเข้าใจก็จึงจะสามารถที่จะเห็นโทษในสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็จะสามารถที่จะปล่อยวางได้พูดมายืดยาวนี้ก็อยากจะพาท่านผู้ฟังเนี่ยได้มา สมาธินี่แหละจริงๆแล้วเนี่ยการพูดว่าการที่จะมาหัดทําสมาธิหรือว่าจะมาบอกสอนสมาธิเนี่ยจริงๆแล้วหลักการมันก็มีแค่อย่างเดียวนั่นแหละคือเอาใจมาจดจ่ออยู่ที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งต้องเป็นองค์ของกุศลด้วยนะถ้าเป็นองค์ของกุศลเนี่ยมันจึงจะเป็นสัมมาสติแล้วกลายเป็นสัมมาสมาธิได้แต่ถ้าเราไปจดจ่ออยู่ในอารมณ์ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันไม่ได้นำพาจิตของเราเป็นกุศลให้เราไปตั้งมั่นอยู่ในอรกุศลมันก็จะกลายเป็นมิจฉาสติแล้วเราก็จะได้เป็นมิจฉาสมาธิเป็นผลออกมาด้วยซึ่งวิธีที่เราจะมาฝึกสมาธิกันเนี่ยตามตามราท่านก็เรียกว่ามาฝึกกรรมาฐานนะมันจเจริญสติพูดง่ายใช้คำสาว่าจเจริญสติ แล้ววิธีที่เราจะฝึกสติของเราเนี่ยพระเจ้าก็ตรัสไว้ตั้งหลายอย่างแต่ในที่นี้ก็อยากจะนำเสนอวิธีดูลมหายใจซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ได้พูดถึงวิธีนี้มาตลอดเวลาเลยเพราะจริงๆแล้วตัวเราเองเราก็ใช้วิธีดูลมหายใจในการที่จะฝึกหัดทำความสงบให้เกิดมีให้มันเกิดขึ้นซึ่งเวลาที่เราได้ปฏิบัติอย่างนี้ คือการดูลมหายใจแล้วใจสงบได้อย่างนี้ก็จึงจะมานำเสนอให้ท่าฟังเนี่ยได้ลองทำตามดูได้ลองเอาไปพิจารณาแล้วลองหัดดูแล้วผลที่ได้ผลที่เกิดถ้ามันสงบนะครับได้จิตใจเราเบาสบายปลอดโ ป, ปรง่งสุขสงบจากอกริยสธรรมทั้งหลายได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ ท่านฟังเนี่ยก็จะได้นําไปใช้ได้เกิดประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะมาถามได้เวลาที่ท่านฟังมีคําถามในการปฏิบัติแบบนี้ซึ่งวิธีการปฏิบัติในการดูลมเนี่ยหลักการมันก็ธรรมดาธรรมดาก็คือเอาใจของเราเนี่ยมาดูมารู้ลมหายใจอยู่ที่จมูก ข, ของเราเนี่แหละทีนี้บางท่านก็เป็นผู้ฝึกใหม่เนี่ยก็อาจจะมีคําถามว่า เราก็มีข้อมูลหลายๆอย่างทั้งการที่ตามลมหายใจเข้าไปจากจมูกของเราลงไปถึงกลางอกหรือลงไปถึงท้องหรือเวลาลมออกก็ดูตั้งแต่ท้องมาถึงกลางอกแล้วก็ที่จมูกอย่างนี้สามารถทําได้ไหมหรือเราจะมาดูรู้ลมอยู่นะจุดๆเดียวที่จมูกของเราดี อันนี้ก็อยากจะย้าให้ท่านผู้ฟังที่ยังลังเลในวิธีการดูลมอยู่เนี่ยก็อยากจะให้พยายามดูที่จุดเดียวดูตรงที่ลมมันกระทบจมูกของเราเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าลมตรงนี้มันชัดแล้วเราก็สามารถที่จะเห็นความละเอียดละออของลมที่มันเป็นไปได้ด้วยอย่างเช่นเวลาเราหายใจที่แรง นกลมหายใจเราก็จะรู้สึกว่ามันเป็นลมหายใจที่หยากสัมผัสได้ค่อนข้างมีเนื้อมีเนื้อของลมหายใจอยู่แต่เวลาที่ใจเราสงบลงไปบ้างลมหายใจเราก็แผ่วเบาลงเราก็สามารถที่จะรับรู้ถึงสัมผัสที่ลมมันแผ่วเบาลงถ้าลองเปรียบเทียบกับก่อนตอนที่หายใจแรงเนี่ย เราก็จะรู้สึกสัมผัสของลมเนี่ยมันละเอียดลงก็ขอให้ตั้งความรู้สึกดูลมเนี่ยเอาไว้ที่จุดที่เราจะสามารถดูทั้งลมหยาบและลมละเอียดได้ด้วยที น, นี้เราก็จะขอแนสนอว่าจริงๆแล้วก็ตรงดั้งจมูกนี่แหละก็จะสามารถที่จะสังเกตลมละเอียดและลมหยาบได้ณนะจุดๆเดียวไม่ต้องเคลื่อนความรู้สึกของเราไปไหน เวลาเราเอาความรู้สึกของเราความตั้งใจของเรามาตั้งอยู่ตรงนี้ซึ่งมันก็จะตรงกับวิธีที่พระเจ้าเนี่ยได้ตรัสไว้ด้วยคื อ, อถ้าแปลเป็นภาษาไทยแล้วนี่คือนั่งคูบรลังก็คือนั่งขัดสมาธินี่แหละแล้วก็ทำกายให้ตรงคืออุชุงกายังเํารงสติจำเพาะหน้าในภาษาบาลีใช้คาว่าปริสัมมุขขัง ก็คือเอาความรู้สึกของเราเนี่ยมาอยู่เฉพาะหน้าเนี่ยนะเพราะนั้นการที่เราดูลมอยู่ที่จมูกของเราก็ขึ้นชื่อว่าเรามีสติอยู่เฉพาะหน้าตรงนี้มันจะเป็นคุณูปการอย่างมากเลยในการปฏิบัติตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงสุดท้ายปลายทางเพราะการที่เราตั้งความรู้สึกอยู่เฉพาะหน้าแบบนี้ได้แล้วตั้งความรู้สึกที่อยู่เฉพาะหน้าอย่างนี้ได้จนชำนาญ จะเป็นคุณอุปการอย่างมากเพราะว่าการที่เราปล่อยสติให้มันหลุดลอยออกไปจากเฉพาะหน้าของเราหรือสติที่มันอยู่เฉพาะหน้าก็จริงแต่มันเลือนๆไปเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะนำไปใช้ในตอนที่ละเอียดลึกลงไปได้พูดง่ายๆคือตอนที่จะมาทำวิปัสสนาคือการรู้เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยสติเฉพาะหน้าเป็นสิ่งที่สาคัญมาก เพอนก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยจับพื้นฐานตัวนี้ไว้ให้ได้ด้วยนะสติก็คือความระลึกรู้เนี่แหละก็คือความรู้สึกตัวของเรานี่แหละเอามาตั้งรู้แต่สําคัญก็คือความสนใจของเราด้วยนะถ้ายกตัวอย่างเนี่ยเหมือนเราเวลาที่เราบอกเราบอกว่าเรามีสมาธิมากอย่างเช่นการที่เด็กๆอ่านหนังสือกระตูเนี่ยมีสมาธิจดจอ่อแล้วบางทีใครเรียกหรือ ใครเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็ไม่ไม่ได้สังเกตว่ามันเป็นมันเป็นของมีอยู่เสียงที่ผ่านหูมาก็ไม่ได้ยินใครเดินผ่านไปผ่านมาข้างหน้าเราเราก็ไม่เห็นเพราะว่าใจเราจดจ่ออยู่กับตัวหนังสือหรือภาพที่อยู่ในหนังสือนั้นซึ่งความสนใจของเราเนี่ยมันจอดล้ไปที่เดียวนะก็คือตั้งมั่นอยู่ที่เดียวคาว่าตั้งมั่นเนี่ยก็คือ ศัพว่าสมาธินี่แหละก็คือใจที่มันตั้งมั่นอยู่ในจุดๆเดียวเนี่ยก็คือคำว่าสมาธิแต่จะเป็นสมาธิที่ดีก็คือต้องเป็นสมาธิเพื่อเอาไปใช้ในการที่เราจะกำจัดกิเลสได้ด้วยอันนั้นก็จะถือว่าเป็นสมาธิที่เป็นสมัสสมาธินะแสมาธิที่เอาไปใช้กาจัดกิเลสไม่ได้ทาให้กิเลสมันงอกเงย พอกฟูลได้อันนี้เราก็เรียกว่ามิจฉาสมาธิซึ่งความสนใจตัวนี้ความใส่ใจตัวนี้มันจะเป็นเคล็ดลับสำคัญในการที่เราจะมาดูลมเอาไว้การที่เราดูลมอยู่เนี่ยแต่ใจเราเนี่ยไม่อยู่กับลมก็สามารถเป็นไปได้นะคือการที่เรารู้สึกว่าลมมันอยู่ลมมันเข้าลมมันออกอยู่แต่ความรู้สึกหรือความสนใจ ของเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับลมเนี่ยอันนั้นก็จะไม่ถูกต้องใจของเราก็จะไม่สามารถที่จะสงบระ ง, งับลงไปได้หรือสงบระ ง, งับลงไปได้ก็ได้แค่นิดหน่อยแล้วจะพักความฟุง้งซ่านมันก็จะตามมาเพราะฉะนั้นความสนใจตัวนี้มันเป็นเคล็ดลับในการที่ที่เราจะเอาไว้ดูลมจริงๆแล้วเอาไว้สังเกตนี่แหละ สังเกตใจเรานี่แหละนอกจากจะทําสมาธิให้ดีด้วยตัวนี้ก็จะสามารถที่เป็นเคล็ดลับจริงๆของการที่เราจะเอาไปใช้ในการวิปัสสนาด้วยนะเนั้นความสนใจความตั้งใจทั้งนี้แต่ไม่ใช่เพ่งนะเราก็มีความสนใจในสิ่งนี้ยกตัวอย่างเหมือนเหมือนเราอยู่ในห้องเรียนนะเราวิชานี้เบื่อมากอาจจะเป็นชีวะ ฟิสิกเคมีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่าโอ้ยวิชาที่เราไม่ชอบแล้วเราก็หรือไม่ก็อาจารย์คนนี้สอนแล้วน่าเบือ่อง่วงอะไรเงี้ยความสนใจในกระดานที่เขาอาจารย์กำลังสอนอยู่หรือว่าเสียงที่อาจารย์กำลังบอกเล่าเนื้อหาความรู้ต่างๆเนี่ยเราก็เห็นอยู่เราก็ได้ยินอยู่แต่ใจเรามันไม่ได้สนใจนะใจเรามันก็ อาจจะไปอยู่กับการที่เอ๊ะเมื่อไหร่จะเลิกหรือไม่ก็เลิกแล้วเราจะไปไหนดีเราจะไปทำอะไรดีหรือไม่ก็อยู่กับความรู้สึกในใจว่าโอ๊ยทำไมมันน่าเบือ่อมันทำไมมันเซ็งอย่างนี้ก็อยู่กับอารมณ์ฉุนอารมณ์ เ, เรียกปฏิฆะคือความขัดเคืองใจตัวเนี้ยมันก็ทำให้ใจของเราเนี่ยไม่ได้สนใจอยู่กับเนื้อหาการเรียนที่อาจารย์แสดงให้ดู อาจารย์กาลังพูดให้ฟังการดูลมหายใจอย่างนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันการที่เราดูลมหายใจแล้วเนี่ยใจเรารู้สึกเอ๊มันน่าเบื่อหรือไม่ก็รู้สึกแบบไม่รู้จะทำไ้ทาไมหรือไม่ก็แบบเฉยๆแต่แบบออกแนวเบื่อเซ็งนิดหน่อยหรือมันมีความรู้สึกสิ่งๆเล็กๆเจอือเจือไว้ง่ายๆคือเราไม่ได้แบบสนใจไม่ได้ตั้งใจเหมือนลักษณะการที่ เด็กที่อ่านการ์ตูนที่ชอบมันจะมีความสนใจมีความจดจ่อมีความมันมีความเพลินในในงานที่กําลังทําอยู่ในหนังสือที่กําลังอา่านเพราะฉนั้นใจของเราที่มีลักษณะที่เราจะทําให้จิตของเราตั้งมัน่นได้ดีเจ้าก็ใช้คําว่ามีฉันทะเพราะนั้นเราต้องสร้างฉันทะในการที่เราจะดูลมขึ้นมาด้วยหมายถึงว่าเรามีความเพลิดเพลินในการที่เราดูลม มีความภาษาวัยรุ่นอาจจะมีความมันในการที่หู that, มันมากในการที่เราได้เห็นลมดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกแต่การที่เรามาเห็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยมันจะทําให้รู้สึกมันได้ยังไงเนี่ยมันก็มีอยู่สองอย่างอยู่2อย่างก็คือ1อย่างแรกก็คือมีความรู้สึกเพลิดเพลินมีความสบายมีความสงบมีความสุขเกิดขึ้นในการดูลมหายใจ แต่แน่นอนใครฝึกหัดเบื้องต้นเนี่ยหรือมันฟุ้งซ่านอยู่ก็อาจจะไม่เห็นความสงบมีความสุขมีความสบายเกิดขึ้นมันก็ทําให้ยิ่งความสนใจตัวเนี้ยไม่ไม่เกิดขึ้นในง่ายเพราะฉะนั้นถ้ามันยังไม่เกิดขึ้นในง่ายเนี่ยเราก็พิจารณาดูว่าไอ้สิ่งที่ใจมันไปคล่องอยู่ตอนเนี้ยมันทําให้ใจเราร่าร้อนไหม เห็นโทษนะเห็นโทษในการที่เราจะดึงจิตของเรากลับมาแมาว่าจิตที่เรามันไปอยู่กับเรื่องต่างๆอยู่กับโลภะโทสะโมหะในรูปแบบต่างๆเนี่ยพอเราเห็นโทษมันเราก็เห็นว่าความสงบประงับความสบายถ้าเรามาดูลมอยู่เรื่อยๆมีความสนใจในการที่เราจะทํางานนี้ใจเราจะสบายใจเราจะไม่ ไม่ร้อนรนไม่ทุรนทุรายกับเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นอยู่กับใจเราขณะนี้นะพนักงานให้พิจารณาได้2 อ, อย่างก็คือสร้างความเพลิดเพลินคือสร้างฉันทะนี่เกิดขึ้น1 ห, หรือมีนารเห็นโทษก่อนเห็นโทษในภายนอกให้มันดูว่าว่ามันไม่มีอะไรดีเท่ากับที่เราจะย้อนกลับมาทําความสงบให้เกิดขึ้นใน ใ, นใจของเราได้แต่ตัวนี้ก็ต้องระวังเหมือนกัน ไม่ใช่ว่าอยากจะให้มันสงบลงไปอยากจะให้มันดีอยากจะให้ใจมันอยู่กับลมสร้างฉันทะกับอยากให้ใจอยู่กับลมไม่เหมือนกันนะสร้างฉันทะก็คือเราอยู่กับเหตุแต่ถ้าเรามีความอยากเนี่ยใจเรามันอยู่กับผลที่มันจะเกิดขึ้นซึ่งมันทำให้เรารลร้อนนะอยากได้แล้วมันยังไม่ได้ใจมันร้อร้อน แล้วจิตที่มันอยากนี่ก็คือจิต uh> ที่มันเป็นอกุศลนะมีมีโลภะจิตที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็ยังอยากอยู่เนี่ยจิตเรามันจะเป็นสมาธิที่ตั้งอยู่กับโลภะพูดง่ายก็คือเป็นมิจฉาสมาธิเพราะฉะนั้นใจเนี่ยที่เป็นสมาธิแบบนั้นเนี่ยมันไม่เป็นไปเพื่อความคลายกําหนัดคือวิราคะไม่เป็นไปเพื่อนิพิทายะคือความหน่ายไม่เป็นไปเพื่อสัมโพธายะคือความตรัสรู้ ไม่เป็นไปเพื่ออภินญายะคือความโรยิง่งไม่เป็นไปเพื่อนิพานายะคือความดับไม่เหลือเพราะนั้นแก้กิเลสไม่ได้เลยเพราะนั้นมันต้องเป็นไปเพื่อ5้ายอย่างแบบนี้มันถึงจะเป็นสัมมาสมาธิเป็นสมาธิที่ใช้เอาไปแก้กิเลสได้ก็เกิดผล5้ายอย่างอย่างที่ว่ามาเมื่อสักครู่เพราะนั้นความความตั้งใจ ความสนใจในการที่จิตของเรามันอยู่กับลมได้เนี่ยเราต้องคอยคอยสังเกตและคอยบริหารจัดการตัวนี้ให้ดีถ้าความรู้สึกในใจของเราเนี่ยมันอยู่กับลมได้ที่เดียวแล้วก็มีสติสติคือความระลึกรู้นะแต่ความใส่ใจเนี่ยมันมันเป็นความรู้สึกในใจของเราก็ต้องแยกกันให้ดีการที่เราเห็นลมอยู่แต่ใจเราเนี่ยไม่อยู่กับลม เป็นไปได้เรามีสติอยู่กับลมอยู่แต่ใจเราไม่อยู่กับลมความสนใจของเราไม่อยู่กับลมเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเราต้องมีสติเห็นลมอยู่มีสติเฉพาะหน้าเห็นลมอยู่ที่จุดเดียวที่มันชัดแล้วรักษาความรู้สึกตัวตรงเนี้ให้มันชัดเจนด้วยไม่ให้มันซึ้งซึมลงไปแล้วก็ความสนใจที่เราจะต้องเมนเทนว่าใจของเราเนี่ยมันยังอยู่มันยังสนใจดี กับการที่เรามารู้ลมเข้ารู้ลมออกไหมถ้าเรายังเมนเทตรงนี้ได้ได้ดีจิตของเราก็จะเป็นสมาธิที่ตั้งมัน่นแล้วคนที่นั่งสมาธิไปนั่งสมาธิไปแล้วเผลอหลับก็ดีหรือไม่ก็ง่วงเสื่อมซึมลงไปก็ดีเพราะใจความใส่ใจมันไม่อยู่กับลมหายใจก็เหมือนคนนั่งเรียนเนี่ย วิชานี้มันน่าเบือ่อเราก็ง่วงเราก็อยากจะหลับนั่นแหละนั่งไปก็ฟังไปก็หลับแต่ถ้าวิชาไหนมันมั น, ม น, มนเรียนไปก็สนุกมากเพลิดเพลินเราไม่มีง่วงหรอกเพราะนั้นเวลาใจที่เราไม่เขาเรียกไม่รอบครอบในการที่เราจะจะเมนเทนความสนใจตรงนี้มันจะทำให้ อันหนึ่งที่เกิดขึ้นคือการเข้าภาวางังเข้าพวังเกิดขึ้นเพราะว่าเวลาที่ช่วงแรกเนี่ยใจเราสนใจอยู่กับลมหายใจพอสนใจอยู่กับลมหายใจเนี่ยมันก็เป็นเหตุที่ทำให้ใจเราเป็นสมาธิสงบระงับลงไปได้พอมันเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยความสงบความสบายความสุขปีติที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้ใจของเราเนี่ยไม่ได้สนใจลมแล้ว มาสนใจผลอันใหม่ที่มันเกิดขึ้นคือความสงบความความสบายที่เกิดขึ้น ใ, นในใจของเราแล้วเราเนี่ยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าความสนใจของเราเนี่ยมันเคลื่อนออกจากลมแล้วไปอยู่กับความสบายไปอยู่กับความสงบที่มันเกิดขึ้นพอมันไปอยู่อย่างนั้นแล้วเราไม่เท่าทันใจมันก็จะไปแช่อยู่ตรงนั้นมันก็จะทาให้เกิดอาการที่จิตมันก็จะสติ ก็จะชัดน้อยลงพอชัดน้อยลงมันก็เหมือนคนง่วงซึมนั่นแหละพอสติชัดน้อยลงก็กลายเป็นคล้ายว่าทีนมิทะก็ครอบงำง่วงซึมลงไปแล้วก็หลบเข้าระวังหายวับไปเหมือนคนหลับไปหรือไม่ก็อาจจะคล้ายๆกึ่งหลับกึ่งตืง่นรู้อยู่รู้เฉยๆแต่ซึมซึมซึ่งซึ่งไปนิ่งๆไป ก็อันนั้นก็จะไม่ดีเพราะว่าใจมันมันไม่รู้เท่าทันตามความเป็นจริงได้นะเพราะนั้นถามว่าเป็นสมาธิไหมเป็นเป็นสมาธิที่ทำให้จิตได้พักผ่อนนะมันก็ยังดีแต่มันจะไปต่อในการที่เราจะเอาสมาธิความสบายใจสติตรงนี้เอามาให้ใจมาสอนใจให้มันได้รู้เท่าทันสิ่งต่างต่างตามความเป็นจริงเนี่ย มันจะทำไม่ได้เพราะมันไปแช่อยู่ในอารมณ์พอมันไปแช่อยู่ในอารมณ์ปุ๊บอยากจะให้มันทํางานมันก็ไม่ทําเพราะมันขี้เกียจอยากจะให้มันรู้ในสิ่งต่างๆความเป็นไปแบบนี้มันก็สักแต่ว่าดูๆไปไม่ได้ใส่ใจเพราะไม่ใส่ใจมันก็เลยไม่เข้าใจเพราะนั้นพื้นฐานสําคัญของการที่เราจะปล่อยวางได้เนี่ยก็คือสติที่มันชัดเจนสมาธิ ที่สงบระงับแล้วใจสบายอย่างมีกำลังสำคัญก็คือสตินี่แหละสติที่ชัดชัดอยู่จนพหน้าชัดแบบที่ว่าหลับตาลืมตาสติคือความรู้สึกรึกรู้ชัดเท่ากันให้มันชัดได้อย่างนั้นมันจึงจะเอาไปใช้เอาไปทำให้เกิดผลห้าอย่าง คืออะไรบ้างอ่ทวนใหม่ก็คือนิพิทายะความเบื่อหน่ายวิราคะคือความคลายกำหนัดสัมโพทยะคือความตัดสู้อภิญายะคือความรู้ยิ่งแล้วก็นิพานายะคือความดับไม่เหลือมันจึงจะทำให้เกิดผลห้อย่างตัว น, นี้ขึ้นมาได้นะเพราะนั้นวันนี้ก็จะมาตอกย้ำวิธีการที่เราจะมาดูลมจริงๆแล้วก็ไม่เชิงวิธีดูลมนะ ก็จะเป็นวิธีการทําสมาธินี่แหละแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นวิธีกสินดูกสินก็ดีหรือเป็นวิธีต่างๆก็ดีเนี่ยสาคัญก็คือเอาตัวนี้แหละให้ใจเรามันตั้งอยู่ในสิ่งที่เรากําลังอยากจะให้มันตั้งอยู่ได้นั่นแหละคือตัวสมาธินั่นแหละคือวิธีการทําสมาธิที่ถูกต้องเพราะจริงๆแล้วเนี่ยแม้แต่เราดูลมก็ดีเนี่ยเราก็ไม่ได้ต้องการลมหรอกเราต้องการลมแค่เป็นเพียง เครื่องหมายเป็นตัวที่จะทําให้ใจเราเนี่ยมาตั้งเอาไว้แต่สิ่งที่เราสําคัญคือเราต้องการสติที่มันชัดแล้วก็ความรู้สึกในใจที่มันมาตั้งอยู่กับตัวนี้คือเราต้องการตัวนี้ต่างหากต้องการสติต้องการใจที่มันมันอยู่ที่เดียวตรงนี้ที่ลมหายใจแต่ไม่ได้ยึดลมหายใจไว้ใจเราก็ไม่ได้ยึดลมหายใจไว้ใจเราก็ตั้งมั่นอยู่ที่ ความรู้สึกที่มันรู้ลมอยู่ไม่ได้ยึดลมนะรู้ลมอยู่เห็นลมอยู่แต่ไม่ได้ไปยึดเอาไว้ไม่ได้ไปเกาะลมเอาไว้ไม่ได้ส่งไปหาลมไม่ได้ส่งออกไปยึดลมด้วยเหมือนเราดูโทรทัศน์เราก็ไม่ได้เข้าไปอยู่ในโทรทัศน์แต่เราก็อยู่ที่โซฟานั่งดูอยู่ฉันได้ฉันนั้นลมก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งหนึ่งที่ เรารู้อยู่เราไปดูอยู่ให้มันเป็นสิ่งหนึ่งภายนอกเราไม่ยึดเราไม่เอามาคว้าเป็นตัวของเราเพราะฉะนั้นเราก็จะจับใจของเราเนี่ยแหละได้ด้วยวิธีการแบบนี้พอจับได้แล้วเนี่ยมันจะไปไหนจะไปทําอะไรหรือเราจะจับมันมาให้รู้น่นรู้นี่มาพิจารณาให้มันเห็นได้ตามความเป็นจริงและปล่อยวางได้มันจริงทําได้ เพราะฉั้นวันนี้ก็ได้พูดมาพอสมควรแล้วจริงๆธรรมะเป็นของเก่านะแล้วก็ของเก่ามาพูดเหมือนกันเพียงแต่ว่าเศพของเก่าอยู่เรื่อยๆนมันดีตรงที่ว่าเราจะได้มีความละเอียดละออมีความที่สิ่งที่รู้แล้วที่จไรรู้ที่ชัดเจนขึ้นแต่สิ่งสําคัญข้อถัดไปก็คือมีความเห็นที่ถูกต้องนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือสําคัญมาก ใจเนี่ยจะผ่องใสได้จากการที่เราฟังทำเก่าเนี่แหละเอาทำเก่าเอาของเก่ามาฟังอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยเพรา ะ, ะนั้นธรรมะที่พระเจ้าตรัสแสดงไว้เนี่ยจริงๆมันมีแต่เดิมมีอยู่แต่เดิมแต่ท่านก็มาเอามาแสดงเอามาเปิดเผยใหม่นะใครที่ยังไม่เคยได้ฟังก็จะดูได้รู้ได้ยินได้ฟังซึ่งอาจจะเป็นของใหม่ฟังแล้วอาจจะยังไม่เข้าใจ ก็ฟังหลายๆครั้งก็จะได้เข้าใจขึ้นมาเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ทำคือการหัดสมาธิก็เป็นวิธีการเดิมพูดก็พูดลักษณะเดิมแต่ก็ให้ฟังซ้าแบบนี้แหละจะได้มีความรู้มีความเข้าใจที่มันมากขึ้นทำความสงบได้ดีขึ้นสำคัญคือความสงบความสบายที่ต้องเกิดขึ้นในใจถ้าตรงนี้เกิดขึ้นได้ ถูกต้อง